เรื่องนี้เป็นบันทึกจากนายเจมิมนักเครื่องจักรที่ได้พนจญมาที่ตาบลท่าหลวงย่านเดียวกันกับที่นายทองคำพนจญมาเมื่ออยู่กับลุงที่หลังตลาดบ้านล่างของตาบลท่าหลวงค่ะ ขณะเมื่อบูดสัญญาณของโรงงานชนละประทานที่กำลังสร้างเขื่อนระบายน้ำพระรามหกตำบลนาวังดังขึ้นบอกเวลาว่าเป็น17นาฬิกาข้อเสื้อของเครื่องจักรในโรงกลึงโรงซ่อมก็ค่อยๆลดการเดินเบาลงทีละน้อยจนหยุดนิ่งเสียงค้อนเหล็กกุญแจเหล็กถูกโยนกลับเข้าลังเครื่องมือก็ดังโครมครามกียวกราวไปทั้งโรง ง, งาน ผมถอนหายใจยาวที่ได้กระำงานมาทั้งวันโยนคอนเข้าหลังดังคนอื่นๆพร้อมกับออกเดินตามมากับเขา ช่างฟิตทั้งหลายก็ต่างพากันแยกย้ายไปพักผ่อนร่างกายตามถนัดแห่งตนบางก็แยกทางกันไปตลาดพักผ่อนที่ร้านเหล้าบ้างก็แยกกันกลับบ้านพักตามอารมณ์กับลูกเมียส่วนผมการพักผ่อนอารมณ์ก็คือเหล้ามีสหายที่คอเดียวกันอยู่สองคนก็คือทิด ต, ต่อมกับทิดผ่องเรารักกันมากเกือบจะคุยได้ว่าไม่มีใครรักกันเท่ากับเราสามคนนี้ สำหรับทิศผ่องนอกจากการเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ยังมีบุญคุณกับผมมากจนล้นเหลือเพราะผมเป็นคนผเนจรเร่ร่อนไปจากกรุงเทพโดยทางโรงงานกรมชนประทานกรุงเทพส่งไปการมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแบบนี้ก็มีฐานะเป็นคนพลัดถิน่นก็ได้มาอาศัยร่มไม้ชายคาของทิศผ่องนี่แหละครอบครัวทิศผ่องก็มีเขากับน้องสาวเท่านั้นพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดเขาปกครองน้องแทนพ่อกับแม่มาจนปัจจุบันนี้ ส่วนทีต่ตอบนั้นเป็นลูกผู้มีอันจะกินในชนบทนี้แต่เพื่อนทั้งสองคนทำงานไม่มีความรู้อะไรทำงานชนิดเอาแรงเข้าแลกเงินมีพื้นเพเป็นชาวนาครั้นพอทางกรมชนระทานเกิดทำประตูระบายน้ำหรือทำเขื่อนระบายน้ำที่ตำบลท่าหลวงนี้ก็ต้องการคนงานแผนกแรงงานมากมายมีค่าแรงวันละหนึ่งบาทถ้าใครเป็นหัวหน้างานก็จะได้ค่าแรงวันละบาท50บ ส่วนผมนั้นมีเงินเดือนประจําเพราะว่าเป็นช่างแก้กเครื่องจักรที่ทางกรุงเทพส่งมาเราเกิดชอบกันขึ้นที่ร้านเหล้านั่นเองเมื่อเรารู้ว่าผมไม่มีที่อยู่ต้องอาศัยนอนรวมกับชาวอีสานคนงานแบกหามเขาก็เลยเมตตาให้ผมไปอาศัยเขาอยู่แล้วเขาก็บอกใบให้ว่าน้องสาวเขาทิดต่อมชอบใจอยู่แต่ว่าน้องสาวของเขาก็ยังเฉยเฉยพอผมรู้เรื่องก็เฮฮาบอกความยินดีขอสนับสนุนด้วย ผมได้ทำตัวเป็นผู้อาศัยที่ดีของทิดผ่องทำตัวเป็นเพื่อนเสมอญาติเราไม่เคยขาดการสมาคมของเราเลยเราพบกันที่ร้านเหล้าดื่มพ่อควรแล้วก็กลับบ้านไปทีต่ต่อมนั้นมักจะมารอนแรมอยู่กับเราที่บ้านทิดผ่องโดยมีแม่เหล็กดึงดูดอยู่ ผมเสียใจว่าเขาทั้งสองไม่ได้ทำงานในหน้าที่เดียวกันโดยต่างไร้การศึกษามีกําลังวังชาก็แบกหามแลกเงินกันไปวันละหนึ่งบาทสำหรับเขาก็ว่าดีแล้วเพราะถ้าไม่มีโรงงานมาตั้งดังนี้เขาก็ทำงานกันรวยบ้างจนบ้างแล้วแต่ฟ้าฝนจะโปรดการได้เงินทุกเดือนนี่ถือว่าเป็นการดีที่สุด เวลานี้เขาทั้งสองทำงานแบกหามหินที่จะประดับพื้นบ่อใหญ่ๆที่ตั้งเขื่อนแล้วก็หินที่จะตั้งตัวเสาเขื่อนซึ่งบ่อนี้กว้างใหญ่มากใช้คนงานหลายสิบคนบางพวกทำงานเป็นกะผลัดเปลี่ยนกันไปทำกลางวันกลางคืนนอน พวกทำกลางคืนก็นอนกลางวันพวกทำกลางวันก็นอนกลางคืนแต่ว่าทิด ต, ต่อมกับทิศผ่องเนี่ยอยู่กะกลางวันส่วนผมทำงานกลางวันเท่านั้นเข้าเช้าเย็นออกบางวันก็ถูกเวนดูแลออฟฟิศ ต, ต, ตลอดคืนฉะนั้นเวลาเย็นจึงเลิกงานแล้วผมก็ต้องเดินไปคอยเขาที่ปากบ่อ น, นั้นเสมอวันหนึ่งเมื่อผมเดินเข้าไปยืนอยู่ขอบบ่อเขาทั้งสองก็กาลังก้าวขึ้นบันไดดินที่เซาะทาเป็นขั้นๆจากก้นบ่อขึ้นมาเอ๊ะ วันนี้ดูนะไอ้ทิดเจิมเนี่ยมันร่วงโรยจริงเว้มีเรื่องอะไรวะทิดผ่องกล่าวขึ้นพร้อมกับมายืนรวมกับพวกเราทั้งสามคนถ้าจะคิดถึงแม่เนียมกระมังว่ะทิด ต, ต่อมพูดเล่นแต่ผมถึงกับพงะเพราะแม่เนียมน้องสาวทิดผ่องนั้นทิด ต, ต่อมก็ชอบอยู่เองทำไมดันมาล้อกันเล่นไม่เข้าท่าแบบนี้เขาเห็นผมพงะเขาก็หัวเราะกันคลืนทั้งสองคนนี่แกนี่ยกเอาความระยำมาใส่ฉันแล้วนะแล้วที่จะเตะฉันใช่ไหมเนี่ยฮะ ผมยื่นหน้าถามเจ้าทิศต่อมทิศต่อมก็หัวเราะกากและจับแขนผมไว้แกนี่ไม่รู้ตัวหรอกแม่เนียมนะ่ชอบแกเว้ยทิศต่อมพูดอย่างอารมณ์ดีและเห็นเป็นที่ขบขันที่เอาหญิงคนที่เขานึกรักนึกชอบมาพูดเล่นดังนี้ว่าพูดกันเรื่องอื่นเถอะวะผมชักรำคาญหูใจคอไม่ดีไม่อยากจะไปนัวเนียแล้วก็ไม่อยากจะดึงแม่เนียมให้มามีส่วนร่วมขาพูดจริงๆว่ะ ข้ากับไอผ่องเนี่ยรู้กันที่ตอมพูดผมหยุดฟังตาค้างแน่ฟังเว้ยจะพูดให้ฟังค่านะชอบไม่เนียมละแต่เขาไม่ชอบค่าเขาอะ่ะชอบเองค่ากับเอผ่องนะรู้กันแต่ค่านะลูกผู้ชายใจพระวะไม่ชอบฝืนคนเขาชอบเองก็ควรให้เขาชอบไปฝืนใจได้อะไรวะเนี่ยพูดจริงนะเว้ยเฮ้ยแหมปวดหัววะ่ะผมตอบไปอย่าบ้าไปเลยที่ตอมพูด เองข้าก็รักดังดวงใจเราเนี่ยมันเพื่อนกันถ้าผู้หญิงรักเองก็ควรจะเป็นของเองตามเรื่องของมันถูกไม่วะข้าจะไปแทรกแซงอะไรจะไปหวงก้างอยู่ได้มันได้อะไรเว้ยเอนี่แกไม่ได้คิดว่าฉันเนี่ยนะเป็นไอ้เพื่อนทรยศงั้นเหรอก็ช่วยกันกระทืบซะเลยสิอย่าเอาไว้เลยผมพูดอย่างชักจะหัวเสียขึ้นมานิดหน่อยเสียใจที่ถูกล้อเรื่องนี้เขาพูดจริงๆว่ะทิดผ่องตอบ เขาไม่หมายถึงอะไรหมดข้ารู้กันเขายอมเสียสละให้เพื่อนก็ในเมื่อ น, น้องของข้ามันเอ็นเอียงมาหาเองไอ้ต่อมมันก็เลยต้องยอมโดยจริงใจจริงๆนะไอ้เจมิมข้ามันใจพี่ลึกว่ะรักเพื่อนกว่ารักหญิงทิดต่อมก็พูดแบบเอาการเอางานบะก็ข้าไม่ได้รักแม่เนียมเขานี่เพราะเองรักอยู่แล้วผมเสียงแข็งนี่เฮ้ยทิดผ่องตัดบทความจริงนะนางเนียมนี่มันเป็นน้องข้า ถ้าควรจะเตะทั้งสองคนถึงจะถูกไม่วะที่ต่างสารแนมาแบ่งสรรปันส่วนกันเองข้ายืนหัวโดอยู่แบบเนี้ยมันก็ต้องเตะกันนิดนึงแล้ววะทิดผ่องพูดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังเมื่อพูดจบนี่เอาไว้พูดกันวันหลังเรื่องนี้แล้วกันว่าแต่ไอ้เจิมหน้ามันเหมือนเมื่อพ่อมันตายนะมันมีอะไรเกิดขึ้นวะไหนบอกมาเร็วดูว่าใครมันมาเบ่งอะไรกับเองหรือเปล่าวะจะได้ช่วยกันฉลองซะหน่อยทิดผ่องพูดอีกสงสัยไปในทางนักเลง โอ้ยใครจะมายุ่งกับข้าไม่มีใครหรอกแต่เรื่องของข้ามันเกิดขึ้นกับข้าเองนะสิผมบอกเอะยังไงวะเขาถามพร้อมกันราวกับนัดกันไว้มันเวรจริงๆเว้ยผมพูดพร้อมกับสายหน้าอย่างกลุ้มใจข้าจะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่หนองกล้วยหนองแซงนูน่นเพื่อนทั้งสองคนร้องเอ๊ะพร้อมกัน พร้อมกับทำหน้าตาตื่นและมีสีสันไปในทางวิตกกังวลเพราะเราทั้งสามคนตั้งแต่คบกันมานี่ไม่เคยแยกทางกันเลยรวมเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันถ้าจะต้องแยกกันไปโดยไม่นึกไม่ฝันมันเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจไม่น้อยมันมีเรื่องอะไรวะทําไมต้องย้ายตัวทิดผ่องถามมันไม่มีเรื่องอะไรส่วนตัวหรอกผมพูดแล้วก็ยกมือโบอกไม่ให้เขาเข้าใจผิดคืออย่างนี้นะทางโรงงานที่หนองกล้วยเนี่ยเขาเกิดท้องร่วงกันคนงานตายไปหลายคน เขาส่งข่าวมาเขาเนี่ยจะเอาค่าไปแทนคนงานที่ตายเอ้คนปล่อยเครื่องรถขุดคลองมันตายค่าก็จะต้องไปทําแทนมันรถหยุดขุดมาสองวัน3าวันละนายเอนจิเนียร์ฝรั่งก็ต้องทํางานอยู่คนเดียวตายเลยเคราะไร้สิ้นดีทิดต๋อมว่าไปกี่วันวะทิดผ่องถามพร้อมกับเกาหัวยีกยิกไม่รู้นะสิเขาว่าถ้าหัดคนที่นู่นได้เร็วก็กลับมาเร็วนะนายฝรั่งดันมาชี้ตัวค่าเขาด้วยแย่จริงแฮะทิดต๋อมทําหน้าเบ้บูด ไปคุยกันที่ร้านไอเซงเถอะถ้าอยากกินเหล้าซะให้มันตายรู้แล้วรู้รอดไปเรา3ามคนต่างเดินเคร่งขึมผ่านคนงานอีกคนไปเพราะเข้ากะค่ำเ ข, า, ขาก็มารับกะพวกแม่ค้าขายขนมก็มาวางหาบเรียงรายกลางคืนจะสว่างไปด้วยไฟฟ้าทั่วไปคนทํางานทั้งกลางคืนแม่ค้าก็ขายของทั้งคืนก็คงสนุกดีเหมือนกัน ในตลาดบ้านบนนี้ทุกเย็นโรงงานเลิกแล้วก็ต้องพลุกพล่านด้วยฝูงชนตามร้านสุราและก็ข้าวแกงหนาแน่นเสียงสับหมูสับเป็ดดังชวนหิวทั้งผัดอะไรในกระทะดังชูชีชูชีไปหมดพร้อมกับส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งตลาดเราทั้ง3คนนั่งโต๊ะกลมด้านหนึ่งของร้านเจ๊กเซง็งต่างคนต่างดื่มเข้าไปคนละแก้ว2แก้วให้ตายสิวะเดี๋ยวพ่อของนายฝรั่งสมัครไปกับไอ้ทิเจิมบ้างเนี่ย ทิดต่อมกระแทกแก้วลงบนโตแล้วก็พูด oo, เขาจะเอาเองไปทำไมวะไปทำยาอะไรกะอีงานแบกๆน้ำหามคนที่นู่นทมเทเยอะไปทิดผ่องคานนั่นน่ะสิวะทิดต่อมคล้อยตามแล้วก็ถอนหายใจก็มันหมดหนทางนี่นี่เนียมเขายังไม่รู้นะถ้าเขารู้เนี่ยคงจะเสียใจไม่ต่างกันกับเราทิต่อมพูดผมเสียวเข้าหัวใจความจริงเนียมน่ารัก ผมเองก็ชอบอยู่เพียงลับๆในใจเพราะรู้ว่าทิศต่อมก็ชอบเราไปแย่งเอาของเข้ามาทําวิมานอะไรล่ะครั้นมาฟังทิศต่อมพูดที่เมื่ออยู่ที่โรงงานก็รู้สึกโงนใจและมาพูดคํานี้อีกก็ชักจะไม่สบายใจแม้ทิศต่อมจะพูดด้วยความจริงใจมันก็แสวงใจเหมือนกันไอ้คนแย่งคนรักของเพื่อนเนี่ยมันสุดจะร่วมโลกกันได้นึกเห็นใจแล้วก็สงสารทิศต่อมจริงๆ ถ้าเนียมเกิดรักผมอย่างที่เขาว่านึกถึงหน้าตาที่ตอมที่ออกฝีลายทั้งหน้าก็ยิ่งสงสารถูกละเนียมก็คงจะรังเกียจ ด, ดวงหน้าแต่อานิจจาชายผู้หน่าสงสารรูปเสียจริงแต่ใจดีเนาเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, มากกว่าคําว่าลูกผู้ชายนาฬิการันเล่าตีบอกเวลาหนึ่งทุ่มเป็นอันว่าเรากินเหล้ากันมาตั้งแต่งานเลิกย่างเขาสามชั่วโมงแล้วระหว่างสามชั่วโมงนี้ก็ตักเติมตักเติมกันเข้าไปคนละหลายแก้ว เรื่องของเหล้าก็เริ่มแรกก็เปลี่ยนจากปกติเป็นมึนแล้วก็เปลี่ยนจากมึนเนี่ยเป็นเมาการสนทนาก็เป็นไปโดยริุราปนอยู่ครึ่งหรือว่าค้อนของสติธรรมดาซึ่งเป็นธรรมดาของเหล้าถ้ากินแล้วก็นึกสนุกก็สนุกกันถ้านึกดุเดือดก็ร้อนจี๋กล้าหาญผิดคนถ้าเกิดนึกถึงเรื่องเสียใจก็กลายเป็นซึมเศร้าโศกใจเพราะเราทั้งสามคนเหมือนหัวใจเดียวกัน ก็รู้อยู่ว่าจะต้องแยกกันก็เสียใจสุดซึ้งใครจะพูดอะไรออกมาสักคำมันก็ช่างบีบหัวใจถึงกับต้องน้ําตาร่วงผมนั้นตาพร่ามองไฟเป็นประกายอยู่เพราะว่าน้ําตาคลอเบ้าคอขมและเราทั้ง3มคนก็เข้ารูปเดียวกันนั่งก้มหน้าซึมไปหมดน้ําตาแต่ละคนเนี่ไหลร่วงเรามันกินน้ําใต้ศอกเ้ายากเหลือเกินผมพูดออกมาด้วยความยากเย็นจะขัดขืนเขาเขาก็จะเฉดระออกเท่านั้น ทิดผ่องทีต่ต่อมพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับถอนหายใจยาวๆสะท้อนใจที่สุดเราได้จดบัญชีเจคเชงแล้วก็ออกจากร้านมุ่งกลับเข้าบ้านเราทั้ง3ามคนกินกันเซนทั้งนั้นเงินค่าแรงงานอาทิตย์หนึง่งจ่ายได้ครึ่งหนึง่งก็มาใช้ยนี่ไปตามระเบียบเราถึงบ้านเนียมรู้เรื่องก็น่าเสียอย่างผิดสังเกตจริงแล้วเนียมรักผมผมยิ่งใจหายสงสารทิด ต, ต่อมแต่เรายังไม่ได้พูดอะไรกันมากมายนักเพราะยังไม่ได้ถึงวันจากกันไป ต้องรอคําสั่งแล้วก็ยกย้ายบัญชีเงินเดือนก่อนตามระเบียบแต่พรุ่งนี้ผมบังเอิญต้องอยู่เวรโรงงานดูแลออฟฟิศจ่ายเงินรุ่งขึ้นผมเตรียมเสื้อผ้านอนเวรเข้านอนตอน5้าโมงเย็นตามระเบียบกินข้าวได้นิดเดียวเพราะว่าใจไม่สบายหลายประการทั้งจะจากเพื่อนและสงสารเพื่อนตอมผู้มีรูปชั่วหน้าตาออกผีผมไม่มีแก่ใจจะคุยกับพวกอีสานที่เป็นยามเดินเฝ้าบ้านแล้วก็นั่งบ้างตามเดิม ผมเข้านอนเล่นในห้องเวรแล้วก็มีเตียงไม้นอนทั้งมุ้งหมอนผมลืมตาอยู่ดังนั้นแต่พลบค่ำจนค่ำมืดก็รู้สึกใจว้าเหวที่สุดผมจะต้องเร่ร่อนไปต่างแดนอีกตาบลหนองกล้ยเนี่ยไม่เคยไปเลยจะไปกินจะไปนอนอย่างไรหารู้ไมมขาดเพื่อนรักขาดที่ที่เคยกินที่ที่เคยอยู่คิดไปแล้วก็หวนึกถึงตัวเองที่เร่ร่อนมาจากกรุงเทพพ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นตายอย่างไรเป็นชีวิตที่ลอยละล่อง เสียงคนยามชาวอีสานแอวเพลงอ่อยๆเป็นเพลงลำยาวที่ถูกคอหยหวนเนื้อเพลงเป็นคำรำพันจากบ้านเมืองมาพลัดถิ่นที่นาคาที่อยู่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หญิงใดจะเหลียวแลก็ติดอยู่ที่เป็นคนจอรผมฟังทั้งคำร้องและทำนองเน่เน่คร่ำครวญถึงอกตัวเองแล้วน้ำตาไหลคนยามชาวอีสานคนนั้นก็เช่นเดียวกับผมคือจากบ้านเมืองของตนเองมาขากินไกขนาดนี้ ขาดญาติขาดมิตรอกตรมไปด้วยกันรุ่งขึ้นผมก็ได้รับข่าวว่าคําสั่งตกแล้วให้เดินทางไปได้ในอีกสองวันเย็นวันที่จะถึงรุ่งขึ้นเราแล้วก็เพื่อนรักร่วมใจกันทั้ง3ามไม่กินเหล้าที่ร้านเจ๊กซื้อติดมือไปกินที่บ้านเพื่อพอมีเวลาพูดจาร่าลากันได้มากขึ้นเนียมตาแดงๆเห็นชัดทิศผ่องเมินหน้าทําไม่รู้ไม่ชี้ทิศ ต, ตอมก้มหน้าพูดงึมงำเพราะริดเหล้าเรากินข้าวอย่างกล้ํากลืนฝืดคอเต็มทน อาหารรสชาติไม่ได้เรื่องอิ่มข้าวแล้วเนียมก็เป็นคนเก็บล้างอยู่ในครัวทิศต่อมากระซิบข้างหูผมว่าให้ไปบอกลาเนียมเขาสักหน่อยเถอะจะดีนะบอกกันสองคนพอชื่นใจเมื่อผมได้ยินดังนั้นแทนที่จะดีใจว่าได้พูดกับหญิงที่นึกชอบๆอบอยู่อย่างใกล้ชิดผมกลับสะอื้นเห็นใจเพื่อนที่สุดเพื่อนเ อ, อ๋ยหัวใจเพื่อนทาด้วยาธาตุอะไรจึงขาวสะอาดผิดรูปผิดร่างช่างยุติธรรม มีศีลมีสัตว์ประจำใจแทนที่จะเสียใจว่าตัวภ่ายรักแล้วกลับมาอิจชาเพื่อนเปล่าเลยกลับมีแก่ใจส่งเสริมหาอีกไม่พบแล้วเพื่อนเอ๋ยในชาตินี้พอถึงวันจากเพื่อนทั้งสองไม่ได้ไปส่งเพราะต้องทำงานตามนายงานสั่งจะลาไม่ได้อย่างคนกินเงินเดือนพวกใช้แรงงานพอเข้าทําก็ต้องทําจนหมดเวลาผมหิ้วกระเป๋าลงไปเรือที่คลองขุด คลองนี้ขุดด้วยรถจริงๆคือใช้รถขุดที่มีปั้นจัน่นวิ่งสองฟากเส้นที่ตีขอบเขตไว้รถนี้ใช้ต่อรางเหล็กต่างๆเคลื่อนไปขุดข้างหน้าไปก็รื้อรางข้างหลังไปต่อข้างหน้าให้รถคืบไปเมื่อขุดไปไกลจนถึงหนองกล้วยผ่านหนองแซงน้ําไม่มีจึงใช้เรือนาคสูบน้ําทั้งกลางวันและกลางคืนที่แม่น้ําแถวป่าศักท่าหลวงนั่นแหละสูบเข้าไปเรื่อยๆจนน้ามากและใช้เรือยนต์วิ่งงานได้ ผมได้อาศัยคลองนี้วิ่งเรือไปจนถึงที่หมายด้วยหัวใจหดหูนึกถึงเพื่อนและนึกถึงหญิงนับแต่ผมได้จากครอบครัวทิดผ่องไปอยู่หนองกล้วยเป็นเวลาหนึ่งเดือนการงานทางหนองกล้วยก็เรียบร้อยนายงานใหญ่จึงจัดส่งตัวผมกลับมาที่ท่าหลวงอีกผมดีใจโดดลงเรือพร้อมด้วยห่อผ้ากระเป๋าผ้าอยากจะให้ถึงโดยเร็วเพราะนับแต่ไปอยู่หนองกล้วยไม่เคยมีข่าวติดต่อกันเลยกับครอบครัวทิดผ่องและทิด ต, ต่อม ด้วยเรือยนต์น้อยลำนี้มีใช่จะวิ่งไปมาอย่างเรือเมเขาใช้งานเท่านั้นจึงจะวิ่งออกจากที่คลองนี้ตัดตรงดิ่งจากท่าหลวงผ่านหนองแคไปถึงหนองกล้วยที่มีโรงงานอยู่ที่นั่นซึ่งกําลังขุดต่อไปภาคอื่นอีกสองฟ้าคลองไม่มีบ้านช่องเลยเพราะขุดใหม่มีแต่ทุ่งและป่าละเมาะพูดถึงเรือถ้าไม่มีเรือของโรงงานแล้วละก็ไม่มีเรือใดอีกจะวิ่งได้ ยังเป็นคลองที่ยังไม่เปิดให้ใช้เพราะประตูระบายน้ําและเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จจึงเป็นที่เปลี่ยวที่สุดและยาวที่สุดหนทางค่อนข้างไกลามากออกแต่เช้ามาถึงท่าหลวงเล่นเอาโพลอเพล้ผมโดดขึ้นตะลิ่งด้วยหัวใจลิงโลดตรงเข้าตลาดก่อนตั้งซื้อเหล้าไปฝากเจ้าสองทิศคืนนี้จะกินให้สบายไปเลยพอเหยียบตลาดก็เข้าใต้เข้าไฟพอดีผมไม่ได้มองใครก็ตรงไปที่ร้านเจ๊เชงก่อนสั่งซื้อเหล้าและเป็ดพะโล่ห่อให้อย่างดี ผมไม่พบเจ๊กเชิงพบแต่ลูกจ้างที่พูดไทยเต็มแย่ผมถามถึงทิดทั้งสองว่ามาบ้างหรือเปล่ามันสั่นหัวพร้อมกับตอบว่าอีไม่มาอีตายเลี้ยวฮะผมกระชากเสียงเกือบตะโกนใครตายวะอาคงสูงสูงมันบอกผมเกือบไม่เชื่อหัวตัวเองแต่ใจหายวูบลักษณะที่มันบอกนั้นตรงกับรูปร่างของทิศผ่องจริงเหรอวะผมถามอีกฟังแล้วก็คล้ายกับฝันจริงสิ ไม่มานางเลี้ยวมันตอบแต่พ่อจะถามอีกก็พอดีว่ามีเจกมาซื้อของล้งเล้งเลยไม่ได้ความงงงันอยู่คนเดียวเอไม่ได้การต้องรีบไปบ้านทิดผ่องเดี๋ยวนี้จิตใจผมวาวุ่นหรือว่าเจ้าเจกนี่มันไม่รู้เรื่องเห็นเขาไม่มาร้านมันก็นึกว่าตายน่าจะเป็นไปได้เอว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเจ้าผ่องมันไม่ใช่คนขี้โรคแล้วก็แข็งแรงด้วย ชั่วเวลาผมจากไปเพียงเดือนเดียวเท่านั้นทิดผ่องจะเจ็บตายเทียวหรือผมไม่เชื่อเด็ดขาดคงเป็นการเข้าใจผิดกันไปเองผมย้อนถามเจ้าลูกจ้างเจ๊กเชงอีกสองสาคำแต่คงไม่ได้ความอะไรดีไปกว่าเดิมผมก็เลยต้องบ่ายหน้าออกจากตลาดพอถึงหัวตลาดก็ได้ยินยายแก่โจทย์กันถึงเรื่องโรคลงท้องระบาดในตำบล น, นั้นว่าทั้งชาวบ้านและพระเนนก็ตายกันไปหลายรูปแล้วผมชักสะดุ้งใจเอ๊ะหรือจะเป็นไปได้ มีหน้าแหละที่ตลาดคนถึงดูเงียบบางเบาไปถ้าเขาจะมาห้ามคนเข้าตลาดหรือว่าอย่างไรกันในที่สุดผมไม่ยอมฟังเสียงใครอีกถ้าเพื่อนที่รักที่สุดตายลงทำไมจะไม่เข้าฝันกันบ้างวะยังไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆเอาวะต้องรีบไปที่บ้านจึงจะแน่นอนที่สุดหาหนทางจากตลาดไปบ้านทิดผ่องก็ไม่ไกลนะักเดินอย่างเร็วก็ราวครึ่งชั่วโมง ถ้าพูดถึงหนทางนี้ออกจะน่ากลัวสักหน่อยหนึ่งถ้าหากไม่เคยท้องที่ก็ไม่กล้าเดินน่ากลัวผีก็น่ากลัวหนทางครุขระเป็นโขดเป็นหินทั้งสองข้างทางก็เป็นดงไม้บ้านคนอยู่ห่างๆทั้งทางที่ผมเคยท้องที่ก็ยังอดหวาดหวา ด, วดแล้วก็ระวังไม่ได้เดินคนเดียวก็ต้องระวังตัวเป็นธรรมดาแม้จะมีคนรักอยู่มากแต่ใครจะรู้ละ่ะว่ามีคนเกลียดกี่คน เจ้าข่าวการตายด้วยโรคอะไรของชาวบ้านเนี่ยและก็ข่าวของทิศผ่องซึ่งก็ยังไม่แน่ใจก็ยังทําให้ใจกงแขว่ ง, วงได้คิดจะเปิดเหล้าดื่มพอแก้ความหนาวใจแต่เจ้ากครครมไขควงไม่มีก็เลยอดดวงจันทร์ยังไม่โผล่หนทางก็เลยมืดมากด้วยดงไม้ที่ช่วยบังแสงดาวซะอีกผมทอดสายตาไปข้างหน้าสังเกตยอดไม้ใหญ่ดํามาเมื่อสูงตรงานซึ่งเป็นบริเวณวัดหัวหินและถัดจากนั้นก็บ้านทิศผ่องอยู่ติดกับวัด อยู่เบื้องหน้าผมไกลโพ้นเสียงหมาหอนเกลียวทำให้ผมขนลุกชันนึกถึงยายแก่ที่พูดเมื่อตะกี้ที่หัวตลาดว่ามีการตายกันมากมายแถวนี้ด้วยโรคร้ายหมา ย, ยังไม่ทันจะขาดเสียงหอนดีก็เกิดมีกลิ่นเหม็นคลุ้งของศพอย่างชัดๆมาตามลมผมถึงกับชะงักหยุดอยู่กับที่บอกไม่ถูกว่าใจผมเป็นอย่างไรในเวลานั้นมันค่อนข้างหนาวเหลือเกินในขณะที่กาลังยืนชะงักอยู่นั่นเอง ก็มีสิ่งหนึ่งมากระทบที่หน้าผมฉาดเบื้อริม่มผมตกใจตัวชาวูบเซไปนิดหนึ่งน้ำหนักวัตถุที่ถูกหน้าผมนั้นคล้ายๆกับมือคนตบหน้าแรงๆแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่มีใครที่นั่นมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าของทางเดินจะว่าใครมาหยอกล้อผมมองดูจนรอบตัวก็ไม่มีทางจะมีใครมาทำอะไรได้ยังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรก็มีเสียงพึบพบคล้ายกับนกบินเฉียดหูผมไปถัดจากนั้นก็มีเสียงดังปุ๊บ เป็นเสียงคล้ายกับวัตถุที่หล่นลงมาบนพื้นดินใกล้ๆตัวผมผมมองเห็นได้ถนัดว่าวัตถุนั้นเป็นก้อนดำขนาดเท่ากำปั้นโตๆผมเพ่งดูแทบไม่กระพริบตามันทำการไหวตัวได้อยู่ไปมาทันใดนั้นเองผมก็เดาเหตุการณ์ได้ว่ามันคือค้างคาวแม่ไก่ขนาดใหญ่ไอเจนี่เองที่บินมาชนหน้าผมอย่างแรงแล้วก็มาตกอยู่ที่นี่พอผมเขยืนตัวจะเข้าใกล้มันมันก็บินโผลเข้าสู่ดงไม้ ผมโล่งอกขึ้นเป็นกองเรื่องคิดว่าปีศาจสัสแดงฤทธิ์เป็นอันหมดสิ้นไปแม้ขวัญของผมจะกลับเข้าสู่ร่างกายแล้วแต่ว่าความหนักใจก็ยังมีอยู่อีกสิ่งนั้นก็คือทางที่จะผ่านนี่มันเป็นวัดและทางเดินก็จะต้องผ่านใกล้กับป่าช้าวัดนี้ถ้าจะไปทางอื่นก็ต้องอ้อมมากและหนทางเดินก็ลำบากลําบนจําเป็นจะต้องไปทางนี้และแต่ไหนแต่ไรก็เดินทางนี้แต่เหตุการณ์ต่างๆมันทําให้ผมเกิดขวัญอ่อนซะแล้ว ฉะนั้นการเดินผ่านป่าช้านี้จึงไม่ใช่ของคนขวัญอ่อนจะเดินได้ง่ายๆอีกประการถ้าผมได้ดื่มเหล้าจนเมาขนาดสบายก็พอจะเดินได้นะประมาณทางอีกครึ่งเส้นจะเข้าเขตวัดดวงใจที่พยายามสะกดให้เป็นปกติแล้วนั้นกลับเต้นถี่ขึ้นมากนึกเสียดายที่รีบร้อนเกินไปถ้ากินเหล้าจะให้สบายๆแล้วเดินมาก็ไม่หวั่นอะไรบัดนี้ความมืดค่อยๆจางลงไปบ้างแสดงว่าเดือนกำลังขึ้นแล้ว ยังไม่พ้นยอดไม้จึงไม่สว่างจ้าผมทอดสายตาไปยังเบื้องหน้านูน้นก่อนจะเข้าเขตวัดมีคลองเล็กๆตื้นๆปราศจากน้ําอยู่คลองหนึ่งซึ่งคล้ายกันกับทางน้ําฝนไหลมากกว่ามีหญ้าพอขึ้นรกกั้นทางน้ําไหลมีศาลาเล็กๆปลูกคร่อมสะพานที่จะข้ามลําคูแห่งนี้ศาลาสําหรับนั่งเล่นก่อนที่จะเข้าสู่เขตวัดพอผมเดินเข้าใกล้ศาลาเข้ามาก็มีภาพหนึ่งทําให้ผมสะดุ้งใจ ภาพนั้นคือภาพคนที่นั่งอยู่บนศาลาทางจะข้ามลำคูความมืดของหลังศาลาทำให้เห็นคนคนนั้นได้ไม่ถนัดแต่เป็นภาพดำมืดเป็นร่างของคนตะคุ่มตะคุ่มถ้าจะนึกเผลอๆหนทางนี้ก็คือทางสาธารณะใครก็เดินได้และนั่งที่ศาลานี้ได้แต่มีปัญหาว่าทำไมมานั่งที่ศาลาเปลี่ยวในเวลาค่าคืนแบบนี้ล่ะซ้าเป็นเขตป่าชาด้วย แต่เรื่องอื่นๆก็ยังไม่สนใจเท่าเรื่องนักเลงผ่านในย่านนี้การเดินเที่ยวกลางคืนก็ต้องระมัดระวังตัวการเดินสวนทางกันย่อมต้องมีการระวังเล่ห์เหลี่ยมซึ่งกันและกันถ้าผิดเหลี่ยมก็เจ็บตัวเสียเชิงนักเลงผมยังคิดอะไรไม่ออกก็เลยหาทางแวะเข้าซุ้มไม้ทาเป็นปัสวะลองดูเชิงกันก่อนว่าจะมาดีหรือมาร้ายประการใดแต่ตาคงจับจ้องดูการเคลื่อนไหวของผู้นั้นทุกลมหายใจ ภาพของผู้ที่นั่งอยู่ในศาลามืดค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินช้าๆตรงมายัางผมผมเลยก็ต้องเปลี่ยนกิริยาจากการนั่งเป็นการยืนแล้วก็หันหน้าเข้าประจันกับผู้นั้นทันทีซึ่งผู้เดินเข้ามานั้นมีฝีเท้าเบามากจนไม่ได้ยินว่ากระทบกับดินเลยเขาจะเป็นใครก็ตามแต่มีอำนาจทางใจทำให้ผมใจเต้นได้ เขาเดินเข้ามาอย่างไม่สะทกสะท้านผมจึงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กำลังใจในความกล้าหาญของเขาจัดว่าเป็นนักเลงอันธพาลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวผมยืนนิ่งประดุดต้องมนจัง ง, งังที่เจิมใช่ไหมเป็นเสียงถามมาก่อนจะเข้าใกล้เป็นเสียงถามที่ค่อนข้างเบาและเหนื่อยอ่อนผมสะดุ้งทั้งตัวนึกสงสัยว่าเอ๊ะนี่ใครกันทาไมรู้จักผมโท่ ผมตอบโพร่งออกไปทันควันและเพ่งตาดูเขาเมื่อเขาเดินมาใกล้ผมห่างสักสามศอกอาศัยแสงเดือนสลัวที่ลอดกิ่งไม้มาจึงเห็นชัดและจำได้ว่าเขาคือใครผมร้องออกไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจระคนกันทิดพองผมร้องดังและสาวเท้าเข้าไปหาแต่พอนึกถึงข่าวที่เขาพูดกันว่าทิดพ่องตายแล้วก็ทาเอาผมชะ ง, งักเออหรือว่าเขาเป็นผีมาหลอกผม ผมมองดูเขาอย่างแทบจะตาทะลุออกมาเพื่อความเอาจริงเอาจังฉันคิดถึงแกจังเลยว่ะนึกว่าแกจะอยู่ที่นู่นอีกนานกว่าจะกลับเขาพูดแจ่มใสยอย่างเสียงทิศผ่องที่คุ้นหูความสงสัยผมหมดไปทันทีเพราะเสียงพูดก็เป็นเสียงมนุษย์เราดีๆนี่แหละไม่ใช่ปีศาจข่าวที่ว่าเขาตายก็เลยเป็นข่าวเหลวด้วยว่าตัวของเขาเองได้มายืนอยู่ข้างหน้าผมบัตรนี้คิดถึงที่สุดเลยว่าพอเขาสั่งกลับไม่รอรั้งก็บึ่งมาเลย ผมพูดอย่างโล่งอกและดีใจเป็นล้นพ้นนี่แกมาทำาไมที่นี่เวลาแบบนี้ล่ะแต่เขายังไม่ทันจะตอบผมก็ตกใจนิดหน่อยถึงกับเบิกตาโพลงเพราะร่างกายของเขาผ้าย่อมหน้าขึ้นกระดูกตาลึกแกเป็นอะไรวะผ่องผมถามเสียงดังลัน่นข้าไม่สบายมากพึ่งค่อยอยังชั่วนอนไม่หลับก็เลยเดินเตรไปเรื่อยมาอย่างนั้นแหละเนียมกับที่ตอมเนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าฉันเนี่ยแอบเดินมาที่นี่ ดีใจแทบขึ้นสวรรค์เว้ยที่ได้กลับผมหยุดพูดแล้วก็ชูขวดเหล้าให้เขาดูเนี่ยข้าตั้งใจมาดื่มกับพวกแกเลยนะแล้วกันเขาร้องว่าเสียดายจริงๆกินไม่ได้หมอเขาห้ามอยากกินจะตายไปหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรวะก็ข้าท้องเสียน่ะสิใครๆก็บอกว่าเป็นโรคอะฮิวาทั้งนั้นเลยถ้าเป็นมันก็ตายแล้วนี่หมอเขายังเอาไว้อยู่แต่ยังกินเหล้าไม่ได้นะเขาเล่าให้ฟังแบบช้าๆให้ดิ้นตายสิ ผมพูดแล้วก็ถุยน้ำลายคล้ายๆกับจรดหัวไอรานเจกที่มันบอกว่าทิดผ่องตายไอรานเฮงสวยเอ้ยมันบอกว่าแกตายตกใจแทบสิ้นใจแม้มันน่าจะกลับไปเตะจริงวะทิดผ่องหัวเราะเบาๆมองดูหน้าผมแล้วก็มองดูขวดเหล้าแล้วก็ยิ้มอย่างร่วงโรยแต่พยายามจะให้ตัวเองร่าเริงแต่ดวงตาที่ซีดเจี๊ยวนั้นขัดไว้ก็เลยทําให้มองดูหน้าเวทนานักอ่ะแกกินเหล้าไม่ได้แต่แกคงกินเป็ดพะโลได้ข้าซื้อมาด้วย ผมบอกและกล้มหน้าให้ดูเป็ดในย่ามที่สะพายมาเขาโบกมืออย่างขัดข้องและบอกว่ากินของเหนียวก็ไม่ได้เขาพูดแล้วก็ชวนผมออกเดินกลับบ้านเขาออกเดินหน้าผมเดินตามหลังข้ามสะพานเล็กๆและลอดสาลาออกที่สว่างเข้าสู่ถนนดินแข็งผมก็ยังคงบ่นพึมพำถึงข่าวการตายของเขาอัปปรจริงๆมันว่าแกตายได้ตกใจจริงวะก็เลยรีบจ้ำรวดพวดมานี่แหละ ทิดผ่องฟังผมเงียบๆพอผมพูดจบเขาก็หวัวเราะอย่างขบขันแต่เสียงของคนฟืนไข้นี่มันช่างแหบแห้งและลึกๆคล้ายกับคนหวัวเราะอยู่ไกลๆข้าไม่ตายเขาบอกเขาเหลียวซ้ายแล้วก็มองขวาเข้าไปในป่าช้าและหลุมศพที่หยูงห่างผมมองตามบ้างเพราะตกใจคิดว่าทิดผ่องเห็นอะไรเข้าแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกไปเลยนอกจากความมืดสลัว มีแสงเดือนลอดช่องไม้มากระทบพื้นดินและหลุมฝังศพที่อยู่สงบกับเสียงเรารายริ่งบนต้นไม้ใหญ่แกมองอะไรวะผ่องเปลา่าไปบ้านเถอะเนียมคงดีใจแกกลับมาเออจริงสิผมเดินตามหลังชักจะหวัดหวาดเมื่อกี้ทิดผ่องมองอะไรผมชักจะเหลียวไปดูข้างหลังบ่อยๆทิดผ่องคงเห็นอะไรแต่ไม่บอกผมก็เลยไม่อยากถามอะไรเขาอีกก็ยังคงเดินเงียบๆซึ่งเงียบทั้งการพูดและเงียบทั้งการเดิน เขาเดินเบาจนไม่มีเสียงคล้ายกับเมื่อเวลาเขาเดินเข้ามาหาตอนแรกๆตามเคยเขาเดินหน้าแต่การเจ็บของเขาทำให้เดินเบาไปได้คล้ายเคลื่อนลอยลมไปเฉยๆผมก้มดูเท้าของเขาว่าเขาเดินอย่างไรจึงเบาจนไม่ได้ยินเสียงเลยพอผมเงยหน้าก็พบว่าทิดผ่องเขาก็เหลียวก้มดูผมเขาแสดงกิริยาไม่พอใจที่ผมมองดูการเดินของเขาแต่แล้วเขาก็ยิ้มแสดงใจดีกลบเกลื่อน ผมชักสะดุ้งใจแต่ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรอีกเดินตามเขาไปอย่างเงียบๆเป็นแต่เดินชิดเขาเข้าไปหน่อยเพราะกลิ่นซากศพที่ฝังไวต้ตื้นๆส่งตื่นประกอบกับมืดและเงียบใจก็เลยเต้นขึ้นมาอีกความวังเวงใจที่สำคัญก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรากำลังเดินอยู่ในเขตป่าช้าจะล้าหลังนักก็กลัวข้างหน้าจะพวกที่ตายตายกันหมูน่นี้เขามีฝังกันไว้อยู่ที่ป่าช้าน้กระมัง ชักกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครั้นจะชิดเข้าไปทิดผ่องนักก็เกิดสงสัยซะแล้ว 1. การเดินจนไม่ได้ยินเสียง 2. ผมแอบมองเท้าที่เขาเหยาะย่างไปเขาก็เหลียวมาดูผมราวกับรู้ว่าผมกำลังมองดูเขาทั้งแสดงท่าทางไม่พอใจมันก็ชวนให้สงสัยว่าเขาไม่ใช่ทิดผ่องที่มีชีวิตอย่างที่เราก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นทิดผ่องที่ตายแล้วเหมือนที่เขาว่ากระมัง ในขณะนั้นเองจะเป็นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบทำให้ผมเกิดเอื้อมมือจะไปลองจับทิดผ่องดูว่าเขาเป็นคนหรือผีและแล้วหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นสะดุ้งทั้งตัวรีบหดมือกลับก็ด้วยว่าพอผมเอื้อมมือจะถึงตัวเขาเขาก็ค่อยๆเหลียวมาดูผมอย่างช้าๆแล้วยิ้มน้อยๆผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้ได้อย่างไรว่าผมกาลังจะจับต้องตัวเขาทั้งๆ ท, ที่เขาหันหลังให้ถ้าเขาเป็นผีผมจะทาอย่างไร ตายแน่ๆแล้วผมขราวนี้ถ้าแกจะกลัวผีนะเขาถามลากเสียงโดยไม่ได้หันหน้ามาดูผมคงหันหลังให้เหมือนเดิมผมตอบไปด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเ ป, ป, ป, ปลา่าผมตอบแบบตะกุกตะกักรู้สึกใจเสียวตัวชาผมเริ่มจะสงสัยว่าเขาเองคือทิดผ่องที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคล้ายๆกับตัวลอยหรือว่ากาลังฝันหูจะได้ยินอะไรก็เพียงแวววๆ ผมเดินตามเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวและไม่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่อย่างสามัญชนเลยพอพ้นเขตป่าช้าย่างเข้าลานข้างโบสถ์เสียงเขียดป่าหายไปคงมีแต่ความเงียบและพอได้ยินเสียงพระท่องสวดมนต์ลอยมาจากทางกุฏิเบื้องโน้นผมไม่มีที่พึ่งใดในเวลานั้นแต่ขอยึดเสียงพระพุทธมนต์นั้นพอเป็นที่พึ่งพอเราเลี้ยวหัวโบสถ์เจ้าหมาขี้เรือนสองสามตัวก็หอนขึ้นเกลียวกราวเท้าผมรู้สึกลอยใจหายวูบ ขนหัวสู้ซาผู้ใหญ่บอกว่าหมาหอนคือมันเห็นผีและเมื่อผมเป็นคนแท้ๆแล้วทิดห่องละ่ะเป็นอะไรขาผมอ่อนแทบเดินไม่ไหวถ้าจะหมุนกลับหรือเปล่าไปได้อย่างไรละ่ะป่าช้าทั้งป่าชา้าแล้วทิดผ่องจะไม่ตามผมไปเหรอเจ้าประคุณพ่อแก้วแม่แก้วขอให้พระลงมาเดินที่ลานวัดสักรูปด้วยเถอะสุนัขกลุ่มนั้นตามหอนเราไม่ห่างเลยผมชักจะโกรธที่สุดเพราะมันไม่เป็นมงคลแกเรา มนุษย์ที่สุนัขเดินหอนตามโดยไม่ละทิ้งเช่นนี้จะเป็นอย่างไรกันละ่ะแต่ทิดผ่องไม่มีท่าทีจะกโกรธเขากลับหัวเราะเสียงแหลมช่างดูบาดหูบาดใจพี่ลึกทิดผ่องหันมามองดูสุนัขแล้วยกสองมือขึ้นกลุ่มที่ท้องของเา้าโดยเขาทําอะไรผมไม่เห็นไม่ถนัดเพราะเดินอยู่ข้างหลังเมื่อทําอะไรยุกยิกยุกยิกที่ท้องอยู่อึดใจเดียวก็เอาอะไรก้อนโตเท่าลูกมะพร้าวโยนไปที่กลุ่มสุนัขที่หอนนั้น มันพากันหยุดหอนและจ้องมองดูวัตถุนั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ต่างเข้าแย่งวัตถุนั้นกันชุลมุนผมตกตะลึงกับไอ้วัตถุนั้นซึ่งมันเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่เห็นทิดผ่องถืออะไรติดตัวมาตั้งแต่แรกแต่บัดนี้เขามีอะไรโ ย, ยนไปให้สุนัขและมันก็กระโจนกัดกินอย่าง อ, ร, อร่อยผมแทบจับไข้หนาวสะท้านแน่แล้วแน่นอนทีเดียวผมกาลังยืนอยู่กับผีและเดินอยู่กับผี กุติพระห่างโบดออกไปมีเสียงพระท่องสวดมนต์พอสุนัขหอนหนักท่านก็ดึงบานหน้าต่างปิดพร้อมทั้งหยุดสวดมนต์เลยทำให้แถวนั้นมืดคลึมด้วยเงาไม้และเงียบเสียงอะไรไปหมดสิน้นผมสั่งกระต่ายเดินตามผีไป ท, ทั้งทั้งที่ไม่ต้องการแต่จําเป็นซะแล้วถ้าไม่เดินไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมก็ไม่รู้ได้จะกลัวปานใดก็ต้องจาใจตามไม่มีใครเป็นที่พึ่งอีกแล้วในยามนั้นตัวคนเดียวแท้แท แต่ทิดผ่องจะฆ่าผมผู้เป็นเพื่อนรักหรือเปล่าอา น, นิจจาชะตาผมจะเข้าร้ายจนถึงที่สุดก็คราวนี้แล้วหรือพระและเทพพระเจ้าไม่ดลใจให้ทิด ต, ต่อมหรือใครๆเดินมาทางนี้บ้างหรือเขาต้องพากันกลัวความมืดกลัวยามค่ำคืนแต่ผมละ่ะโชคชะตาใดให้มาเป็นแบบนี้ใจผมเต้นรัวเหมือนหน้าอกจะแตกออกไปอยู่แล้วเดินเดินมาทิดผ่องได้หยุดกึกลง ผมชะงักหยุดแทบล้มเขามองดูกิริยาผมอย่างลึกๆแกเลยไปก่อนละกันเดี๋ยวข้าจะแวะไปหาพระเขาพูดเสียงแผ่วเบาและผายมือออกให้ผมเดินไปก่อนทิ้งเสียงพูดและกิริยาคล้ายผมกำลังฝันมันลอยๆเลือนๆในความรู้สึกก็ๆๆไปพร้อมกันไม่ได้หรือไงวะผมแข็งใจพูดส่งเดชไปแบบใจดีสู้เสือข้ามีธุระเขาพูดช้าๆเหมือนเหนื่อยอ่อนไปก่อนเถอะ เขาพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆในลําคอก็เอาสิผมได้ช่องแล้วก็ยืนเฉยเขาหันตัวไปทางด้านหอระฆังแล้วก็ออกเดินไปอย่างช้าๆพวกสุนัข ก, กลับหอนขึ้นอีกผมหันหลังจะเดินต่ออย่างยากเย็นขาผมทําตามคําสั่งหัวใจแต่หัวใจมันลังเลและลอยคว้างขาจึงไม่ยอมทําตามหน้าที่ที่หัวใจสั่งชนิดไม่เด็ดขาดผมเหมือนจะล้มลงความกลัวสุดหัวใจได้เหลียวมาดูทิศผ่องอีก คุณพระช่วยใจผมจะหยุดเต้นแล้วทิดผ่องเมื่อเดินมากับผมนุ่งสรงตัวเดียวไม่มีอะไรอีกแต่บัดนี้เขามีผ้าขาวผืนใหญ่ห่มคลุมตลอดหัวเสียงหัวเราะยังคงมีอยู่และแล้วร่างกายของเขาก็ได้ละลายหายไปเฉยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะก็หยุดไปผมร้องจนสุดเสียงกลัวเท่าไหร่ร้องเท่านั้นช่วยด้วยร้องแล้วออกวิ่งสู่ถนน ที่จะไปสู่หมู่บ้านแถวนั้นแต่ขาก็ได้อ่อนพับลงไปเฉยๆผมหมดสติไปในที่สุดและหมดสติไปกี่มากน้อยเท่าใดไม่ทราบได้มารู้ตัวเอาอีกทีเมื่อลืมตาขึ้นรู้ตัวว่าผมอยู่ในบ้านของทิดผ่องมีเนียมและทิด ต, ต่อมนั่งอยุ่ ใ, ใกล้ๆพอผมลืมตาทั้งสองก็ยิ้มออกและยังมีริ้วรอยแห่งความเป็นทุกข์เหลืออยู่ผมถูกป้อนยาให้ถ้วยเบร์ผมรับมาดื่มก็รู้ว่าเป็นยาลมได้ความว่า ผมสลบไปตลอดคืนที่รู้สึกตัวนี้เป็นตอนสายของวันรุ่งขึ้นผมโงหัวลุกขึ้นนั่งได้แล้วจึงได้เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังตลอดทุกคนตกใจและมีสีหน้าเป็นทุกข์กลัวจะมีขึ้นอีกผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหรือไม่มีเกิดหายใจสะท้อนขึ้นมาอีกแต่อย่างไรก็ตามผมจะต้องรีบไปรายงานตัวต่อที่ทํางานทิศตอมวันนี้ก็ขาดงานไปผมรับประทานอะไรไม่ลงเนียมกับทิศตอมเล่าให้ฟังว่า ทิดผ่องตายไปหลายวันแล้วจัดการฝังโดยด่วนตามคําสั่งหมอทิด ต, ต่อมก็อยู่เป็นเพื่อนเนียมมาตั้งแต่ทิดผ่องตายผมจึงตกลงกันว่ากลางวันผมกับทิด ต, ต่อมไปทํางานเนียมจะเฝ้าบ้านคนเดียวก็จะกลัวคิดกันให้เนียมไปอาศัยบ้านเพื่อนๆกันใกล้ๆนี้เพียงกลางวันพอเย็นผมกับทิด ต, ต่อมจะรีบกลับมาบ้านโดยมีข้อบังคับมีในตัวว่าจะมัวโอเอตามร้านเหล้าอีกไม่ได้ค่าแล้วจะกลับได้อย่างไรโดยหนทางนี้ ผมกับทิศต่อมก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนเนียมไปก่อนจะทิ้งไปอย่างไรเมื่อไม่มีผู้ปกครองรอจนกว่าญาติของเนียมจะมาอยู่ด้วยเรื่องความรักสามเศร้าเราเลิกคิดกันชั่วคราวผมอยากให้เนียมเมตตารักทิศต่อมเสเถิด จ, จะได้ลงเอยผมจะได้แยกไปนอนในที่พักโรงงานแต่อะไรอะไรที่ว่านี้ก็เพียงผมคิดไปเองการข้างหน้ายังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร